หลายคนในปัจจุบันยังไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องกฎแห่งกรรมมีความเห็นผิดคิดว่าตายแล้วก็แล้วกันไปรีบตักตวงหาความสุขกันดีกว่าโดยไม่ได้คำานึงว่าใคร จะเดือดร้อนเพราะการกระทาของตนรายการแสงธรรมเพื่อชีวิตโดยสนทิชัยทวีโชคทรัพย์สินขอเสนอท่องนรกกับพระมลัยโดยหวังว่าสื่อธรรมะชุดนี้จะเป็นการปลูกศรัทธาความเชื่อให้มีสัมมาทิฏฐิ มีหิริโอตัปปะและอายเกรงกลัวตบบาบเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตนเองและผู้อื่นทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเรียบเรียงจัดธรรมและบรรยายโดยสนทิชัยทวีโชคทรัพย์สิน ม้วนที่สองก็ในลำดับนั้นม <okay ีสิ่งที่น่าแปลกประหลาดเกิดขึ้นอีกมีสุนัขนรกมากมายหลายตัวแต่ละตัวนั้นก็มีตัวใหญ่มหึมา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 เมื่อถูกเนื้อของสัตว์นรกต่างๆเหล่านั้นก็ไม่สุกและก็ถูกฉีกเคี้ยวกินอย่าง อ, ร, อร่อยเสียงร้องระงมด้วยความโอดโอยน่าสงสารเมื่อพระเถระได้ฟังแล้วได้เห็นแล้วก็เกิดความเวทนาสงสารเป็นอย่างยิ่ง ท่านเท้าจยมบาลอาตมาเห็นแล้วรู้สึกว่าน่าสงสารสัตว์นรกต่างๆเหล่านี้จังเลยเออก็ไม่รู้ว่าสัตว์เหล่านี้จะได้หมดเว่หมดกรรมเมื่อใดกันหนอพระคุณเจ้าผู้เจริญเออข้าพเจ้าน่ก็มีความสงสารเช่นเดียวกับท่านนั่นแหละแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นมีกรรมเป็นของตนจริงๆ ข้าพเจ้าไม่สามารถจะไปห้ามกรรมที่กำลังส่งผลกับพวกเขาได้เลยก็ในขนาดเดียวกันก็มีแร้งนรกจำนวนมากมายบินมาเป็นฝูงฝูงแร้งนรกนั้นมีจงอยปากเป็นไฟ มีกงเล็บเป็นไฟต่างก็บินถลาเข้ามารุมทึงสัตว์นรกต่างๆเหล่านั้นซ้ำเติมรวมเป็นว่าทั้งสุนัรนรกและแร้งนรกนั้นก็ได้กัดกินสัตว์นรกเหล่านั้นอย่างอร่ออร่อยพระคุณเจ้าครั บ, ร บ, รบแดนนรกแห<ค>่งนี้เรียกว่า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 เอาปืนไล่ยิงแก่คนและสัตว์ทั้งหลายก็ผลกรรมอันนี้แหละจึงทำให้เขาต้องมาตกนรกขุมนี้เออตายตายเป็นๆ เ, เ, เดี๋ยว <Sie> ฟืน้นเดี๋ยวตายอย่างนี้จนกว่ า, วาจะสิ้นก <ๆ S 2> รรม<ำ>เอาละ เท้าท่านยมพบาลช่วยพาอาตมาไปดูแดนรกขุมอื่นต่อไปเถอะอาตมาเห็นแล้วก็น่าเศร้าสลดใจจังนักขอดูชมรกคุมอื่นก่อนดีกว่าได้เลยพระคุณเจ้าข้าพเจ้าจะพาท่านพระคุณเจ้าไปดูนรกขุมอื่นต่อไป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 ที่นี่เรียกว่าเวตรณีนรกขอรับพระคุณเจ้าซึ่งเป็ น, นรกที่มีแต่เครือหวายสองฝั่งฝ้าแม่น้ำนั้นจะมีต้นหวายขึ้นเต็มไปหมดเครือหนามของมันนั้นคมยิ่งกว่ามีดโกนที่มีอยู่ในใดๆ ใ, ในโลกสามารถบาดร่างกายของสัตว์กให้คาสบั้นลงไปได้ ทำให้เป็นท่อนเล็กท่อนน้อยไปตามๆกันแล้วสัตว์นรกที่มาตกนรกในขุมนี้เขาได้ทำกรรมอะไรดอกเลืออ๋อแน่นอนพระคุณเจ้าก็เป็นพวกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยการวางเครื่องดักสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นดักสัตว์บกสัตว์น้ำหรือสัตว์ทางอากาศหรือบางที ก็คนเราหนี่แหละที่ได้วางอุบายหลอกลวงคนด้วยกันเองต่างๆนานาพวกส8บปดมงกุฎที่ชอบวางแผนล่อลวงอุบายดักคนเพื่อทำจุจริตต่างๆเป็นต้นว่าลวงหญิงสาวไปทำการค้าขายประเวณีหรือบางทีก็ลวงเขาไปฆ่า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 ท่าทางระโหยโรยแรงเต็มทีคั้นเหลือบมองเห็นแม่น้ำเบื้องหน้าก็มีความปรีดียินดาอยากจะได้ดื่มน้ำในแม่น้ำนั้นต่างก็วิ่งกลูกันเข้ามายังแม่น้ำแห่งนั้นสัตว์ตลกเหล่านั้นเมื่อเห็นแม่น้ำแล้ว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 ลำไส้ต่างก็ติดห้อยกรลองแครงอยู่ที่เครือหวายเหล่านั้นสักครู่หนึ่งเครือหวายนั้นก็ได้ลุกเป็นเปลวไฟขึ้นมาไฟนั้น